มิลินทาปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทาปัญหาเมนกะปัญหาปฐมวัคเทวทัตตราปรัปพชิตะปัญหาที่สามถามว่าพระพุทธเจ้ากอเพื่อพระกรุณาและเป็นสัพพันยูเหตุไรจึงบวชพระเทวทัตให้ทมสังฆเภท ราชาสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสถามพระนาคเสนว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาตุมเหพานะทะพระผู้เป็นเจ้ากล่าวกับโยมว่าพระสัพพันยูเจ้าเป็นองค์พระมหากรุณาสแสวงหาสิ่งที่จะให้เป็นประโยชน์แก่มนุษย์นิกรเทวดา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 อนุรุตธกุมานผู้หนึ่งอานนทกนนักุมารผู้หนึ่งภักขูกุมารผู้หนึ่งกิมพิละกุมารผู้หนึ่งเทวทัตตะกุมารผู้หนึ่งเป็นคํารบหกเจ็ดกับทั้งอุปาลีกลบกเมื่อสมเด็จพระบรมโลกกาณาศเสด็จออกสู่พระมหาพิเนสกรมุมสําเร็จแก่พระโพุทธญาณแล้วก็พากันมาสู่สํานักพระศาสดาจารย์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 นี่แหละพระผู้เป็นเจ้าพระเทวทัตนั้นจะกระทำสังฆเพศนี้พระพุทธองค์รู้หรือว่าหาไม่ได้พระนาคเกษรประกอบไปด้วยปรีชาอันดีมีเทระวาจาว่ามหาราชขอถวายผ่อนบ่อพิษพระราชสมภารพระพุทธองค์ทรงทราบอยู่ว่าพระเทวทัตบวชเข้าแล้วจะกระทำสังฆเภศ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 นับนานประมาณหาที่สุดมิได้ถ้าพระเทวทัตเป็นครือขัดนี้จะกระทํากรรมเป็นบาปหยาบชา้าทารุนร้ายกาจจะไปตกนรกอยู่นานประมาณดังวิสัชนามาแล้วไม่รู้ว่าจะพ้นทุกข์เมื่อใดสมเด็จพระบรมไตรโลกนาโยกทรงพิจารณาเห็นว่าถ้าพระเทวทัตบวชเข้าในพระศาสนานี้จะกระทําสังฆเภศ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 อิเมหิอถิหิตามัคะปุกขลังเทวาติเทวังนรธรรมสารถิงสมันตจักขุงสตะปุญญลักขณังปาเนหิพุทธังสารนังอุเปมิอธิบายในคาถาว่าข้าพเจ้าขอถึงพุทธังซึ่งสมเด็จพระพุทธเจ้าสตะปุญญลักขณังอันมีลักษณะเกิดขึ้นด้วยบุญได้ละร้อย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 ปันออกได้หนึ่งส่วนโดยนานช้ากว่าพระเทวทัตจะไปอยู่ในอวิจีมหานรกนั้นปัญนจกโกฏฐาเสในส่วนกันทั้งห้าส่วนเท่านั้นครั้นพระเทวทัตจุติจากอาวิจีมหานรกมาจะได้ตรัสเป็นพระปจเจกะโพธิทรงนามชื่อว่าอัติสระปจเจกโพธิปโปรดเวนัยสรพพสัตว์ทั้งปวง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 มีพระราชโอวงการว่าพันเตฆ่าแต่พระผู้เป็นเจ้าหมอนั้นกระทำเพื่อประโยชน์จะให้โรคหายเป็นสุขโสดจะมีโทษหาไม่ได้ถ้าหมอนั้นตั้งใจจะเอาบุญมิได้เห็นแก่อามิตรสินจ้างนั้นจะได้ไปสวรรค์นนพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเกษ็จริงถวายพระพรว่ามหาราชะดูกระพระราชะสมภารความที่เปรียบมานี้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 หาโทษไม่ได้กระทำทั้งนี้หวังจะให้โรคหายถ้าว่าบุรุษผู้หนึ่งไม่บ่งเอา้ํามนั้นออกได้บุรุษผู้นั้นจะเป็นทุกเวทนาสาหัสแทบบรรดาตายพระนาคเษนถวายพระพรว่ามหาราชดูราณะบพิษพระราชสมภารสมเด็จพระบรมโลกุตามาจารบวดพระเทวทัตไว้ด้วยพระไทยกรุณา แม้นว่าพระองค์ไม่บวชพระเทวทัตไว้พระเทวทัตก็จะไปไม่อยู่ในนรกแล้วแล้วเล่าได้หลายแสนกันมีครุวนาดุดบุรุษอันช่วยเอานามออกนั้นพระเจ้ามิลินภูมินธราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตนาคเสนาข้าแต่พระนาคเสนผู้จำเริญปรีชาพักวาสมเด็จพระสัพพันยูเจ้านี้